คามเพงประโยชน์คือามมาธพรธรรมฐานเดี่ยวนงิกขาภาวนาแนาวทางปฏิปทานคือของพระพุทธเจ้าของเรานั้นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นของการปฏิบัตินี้เนี่ยยึดแนวหลักปฏิเป็นตัวสนคัญปฏิปาทานคือก็มีสี่ข้อ สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมใหม่ยังไม่เข้าใจแนวปริยัติและข้อปฏิบัตินี้ก็ตามตรงท่องความหมายนี้ว้ก่อนว่ากายานีปัจฉนาปฏิปทานข้อที่หนหมายความว่าอะไรท่านจะแปลกลับว่ากายในกานี้กัจฉวก า, ายไม่มีตัวบุคคลเราเขาเป็นกายานีกา้กัจนาเป็นต้น แต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วนะให้เอาสติเอาจิตเพ่งดูกายยืนเดินนั่งนอนเหลือซ้ายเหลืวขวาจะกู้เหยียดเหยียดขาต้องถือตามผลสือใช้สตินี่เองดูร่างกายช้งขานต่างๆเป็นก้อนอันนี้เรารู้ไว้เรื่องต้นตอนข้อหนึ่งเวทนานุกอดชนาทิ่แตฐานข้อที่สองเราจะได้ทราบอ่เวทนาคืออะไร เวทนาแปลว่าทนไม่ได้บัญชาการไม่ได้ต้อเป็นการแต่ภาพนี้ถ้าเป็ น, น, นเป็นธรรมชาติอย่างนี้เทอะไรเวทนาแปลว่าอะไรไม่อยู่ายา ส, สามประการนี้กันเวทนาข้อหนึ่งได้แต่สุขก็เวทนาทุกขเวทนาเดือดขาเวทนาต้งสามประการนี้ จุดมุ่งหมายก็ต้องการที่จะให้สติไปพิจารณาเวทนา น, นั้นเช่ดีใจก็ดีเรียกว่าสุกกายถุกทางกายสุกทางใ จ, งใจอันนี้เรกก็ทาสุขแล้วก็ทุกกายทุกใจเรียกว่าทุกทางด้านกายและใจเรียกว่าทุกเวทนาอุเบกขาเวทนา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 หายใจขึ้นลงยาวๆกําหนดว่าดีใจหนอดีใจหนอทําไมต้องปฏิบัติเช่นนี้ล่ะก็ําว่าดีใจและสุดใจสุดใจนั้นเหลือก็ทุกข์อีกถุกขเกลือไปในความทุกข์อย่างนี้เพื่อความไม่เป็มาของชีวิตของเราจะต้องรู้เร่วงหนาะรู้ในปัจจุบันในการกําหนดเกงก็กําหนดที่ลิ้นไป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 ธรรมดานเนี่ยหั่นใารสะอาดปุดขึ้นมาได้รู้เชิงรู้จางรู้ปัดจัดจังเวทีจัดโพวิญญูคือให้รู้กันมาเองทำมารู้เองเนี่ยทยายากรู้ชาการ ท, ทำงายา ห, หาไม่เสียท่องได้ก็ได้แต่รู้เองให้มันการสะอาดขึ้นมาเนี่ยรู้ยากทำไม่จะรู้ได้ง่ายก็ต้องปฏิบัติขึ้นมาดีใจเสยียใจ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 ส่วนใหญ่ไม่เคยกำหนดการจึงไม่รู้เรื่องราวอะไรอย่างนี้เป็นต้นมีความหมายอย่างนั้นในอวามสุขทางไหนก็ตามเดี๋ยวจะทุกข์อีกมีอางนั้นแก้ไม่ได้ก็อย่างนี้นเกิดที่ไหนต้องแกที่นั่ น, นไม่แก่ไปแก่กัที่อื่นหาเหตุที่มาของมันถือกติกตอนี่เปนตัวกาหนดเป็นตัวหาเหตุเป็นตัวแจงเบี้ยบอกให้รู้มาทั้งหอน ตัวสมัมมาชัญญารู้ทั่วรู้นอกรู้ในนั่นแหละคือตัวปัญญาความรู้นั้นเกิดขึ้นตัวสมาธินี้ก็หมายความจักสิบนั้นไม่ได้เป็นเรเชนาปวดเมื่อยเป็นอุปสรจัต่อการปฏิบัติมากจึงก้องให้กําหนดไม่เฉยหมายความกําหนดแล้วมันจะหายปวดแต่หาไม่ได้ต้องการจะใช้สติไปควบคุมดเจิตที่มันปวด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 ใคก็ลอยไปไปแต่ละมือมองหงคนได้สองคนไปยลาวจึงต้องกำหนดอี่เบขาเวชนากำหนดที่ไหนกำหนดที่ลิ้นตืียหายใจยวาวๆลึกๆสบายๆแล้วก็ตั้งสติระลึกก่อนกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอพอเราสร้างคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยครบ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 ตายสัมผาสล้อนี้หนาวอ่อนหรือแข็งที่นางตาเกิจิตทางตาก็เรียกว่าจิตตาหรอปัจจนาจิตปัจจานาิธีปฏิบททัติทำอย่างไรวิสิตปฏิบัติทําอย่างไรก็ทําอย่างนี้ที่มาของจุดรู้แล้วมันเกิดทางตาตาเห็นเห็นอะไรก็ตั้งสติไว้จับจุดและทีนับผ่ า, าอุณลมมาปยาชายาเตก ด, ดสุมให้มันทุกเหมือนเรากด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 แล้วเป็นเรื่องทำลายได้เกิดเชื่อนกลางอยู่แกล้งวนดับไปสรลปกองกำนหนดนาปฏิบัติจะทิ้งพอ น, นี้ไม่ได้ในจิตกางปรัชนาจิตฐานเป็นธรรมชาติของจิตเกิดที่ตาเกิดแล้วกำหนดไม่ใช่ว่าเราแสบไปหากำหนดข้างนอกตาหงไปที่ไหนมันเห็นอะไรก็กำหนด เ, เห็ น, หนอ๋อทำไมต้องกำหนดด้วยเพราะจิตมันเกิด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 ก้องใช้สตินี่พ่อจิตาวนิก่นาปิปฐานเป็นธรรมชาติทั้งจิตกองพัฒนาตรงนี้ก้องกำหนดทุกริบทหูยิงเสียงหูกับเสียงอย่างไรใกลแค่ไหนอย่างไรไม่กองไปประเมินผลในกองวิจัยห้ามห้ามก็เหตุไดเพราะมันจะเป็นยิปัสนุ้ปักเนื้อขึ้นมาก็วิจัยามิชาการแล้วก็ไม่หย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 ตรงนั้นเป็นตัวสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้มีพลังจิตของข้อบคิกของวิทัาศาสตอยางอี ก, กประการหนึ่งกลางหากผูปฏิบัติก้องเริ่มต้นด้ดยอายบทต่างๆพลังจิตจิดเกี่ยวตั้งอูถ้าเราสร้างเครื่องได้ดีแล้วป้องข้อมูลถกูกสร้างระบบถกูกข้อมูลในจิตคืออารมณ์เราเก็บไว้นานนากักหนาแล้ว ที่ขายไม่ออกแข่งไวในอารมณ์ชโลภะโสะโมหะทำให้จิตใจเข้าหมองไม่ชานานไม่สงสัยจึง ก, งก็กำหน ด, ดอย่างนี้เสียงหนอเสียงหนอไม่ใช่คนี้พนเนเสียงเขาด่าใช่แล้วถ้าเรามีสมาธิดีจะสมหน่วยจิตกติกฐานสูตรไว้ชัดเจนเสียงหนอก็รู้แล้ว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 ไม่เคยปฏิบัติสุดนี้เลยหัใจจะกล้องโดยจงกรมกล้องท้องหนาอยกหนอยอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ไม่คอบสติปัญญาปฏิบัติงายในข้อจิตใจนิปัญนาสติปัญญาสุดท่อ 30, นี้เป็นข้ออิงคืนหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบยืมตอนกําหนดเสียงหนอเสียงหนอถ้ากําหนดไม่ทันมันเลยไปอดีตไปแล้วไ ม, เม่เคยเข้ามาในจิตใจเกิโจด ก้าตัวที่มาทันทีทำอย่างไรจะไปเสียงหน้อยอไม่ได้ก็กำหนดตัวสำบัญญะกำหนดที่ไหนปัญหาเกเดื่อนกำหนดที่ลุ่มปบางทีไปสอนไม่เหมือนกันใช่ไหมหลับหูหลับตาว่าทรงเดชไปเลยมันจะถูกจุดยังไงกดเทื่องคอมพิวเตอร์ไม่ถูกกดไม่ถูกจุดแล้วมันจะออกมาตามที่เราองการไม่ได้นี่สำคัญผู้ปฏิบัติเน้นในข้อนี้ให้มาก ต้องกดทีลิ้นเตือแต่อาธาิบายอย่างไรนั้นจะไม่อธิบายทีน่นี่ขอให้ชั้นโง่ไว้ก่อนอย่าไปฉลาดตอนทําปฏิบั tn ี้เดี๋ยวจะไปคิดเวรตัขึ้นมาท่านอะไรของกลอมไปนะจะได้ของไม่จริงไปอย่างนี้นกันตอนอาหากว่าเรามันมันเลยไปเป็นอดีตแล้วพร้อมโหลดที่ย่างเยอะชุดรู้ไว้ก่อนรู้ว่าอะไรก็ยังบอกไม่ได้ทําไมจะรู้จึิง ทุกข์นิ่ก็กำหนดฉะนั้นก็ทิ้งตีหาใจโยยาหายใจยังไงดังองไปสอนในทุกตั้งตั้งกติไว้ทิ้งตีโดยลมหายใจใส่ต่อหมู่ถึงกระเดือแล้วก็ตั้งกติ้ทิ้ายจโรู้หนอรู้หนอ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 มันจะเป็นกิจกรรมได้อย่างไรแล้วมีเห็นหนอก็ต้งสง่งก็แสจิตจากหนาผากออกไปเนพะราะว่าเราจะสังเกตตัวเองได้ทุกคนความรู้สึกจะมารวมอยู่ที่หนาผากหมดเรียกแนละ้วผ า, าช้าเจ็บะทะลุหนูเรียกแลก้วจะมือแข็ง น, นะที่หนาภากนะอาจารยนี่แม่าทายทีบานแล้วจิขั้ น, ะาาน ส, สูงก็จะเห็นเองก็ดูหน้าคนอดูตรงไหน ดูตรงไหนอ่ะหง่เหี้มันอยู่ตรงไหนอย่าเลืมตัวก็วอุเผ่อมาพูดหลายครั้งยังไม่มีใครจีบปัญหาได้เลยอุนนล้อมมาประชายจะกเจ้ามาเป็นการส่งกระษสสุที่ดีมากให้นศูนย์ ส, ส, ส, ส, ส, สมาธินี่นายจะเกิดปัญญาได้ตั้งแับตัวตอนบุคคลปฏิบัติไม่ใช่มานั่งเห็นวิมกถามกันไม่พักเลยหลวงพ่อฮะ ถ้ามีมึนตอย่างนี้ฝันอย่างนี้จะได้การไหลไม่ต้องมัดถามเนียฝันปลอมก็ดีเกิดอุปาทานยึดมั่นกับฝันได้เกิดโสดก็มาฝันได้เรี่ยงร้ายตลอดเลยการลองรู้นะถ้าจิตทั้นโสดถูกพยาบาทเกินจะฝันรล่ไล่จะฝันหนืดซอนลบพุ่งชิงชัยไม่พักเพราะจิตขั้นโสดออกมาเป็นความฝันได้เป็นมึนเมตที่เลวร้ายได้ถ้าจิตมันไม่ดี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 ถ้าครอบถวนอารมณ์ก็ต้องไปกำหนดอย่างนี้หายใจยาวๆนั่งค่าสบายหรือทุงไหนก็ตามอยู่บนรถกระด้คอบชวนชีวิตคอบชวนอารมณ์ว่าลมลืมอะไรไปบ้างเก็บของวางไว้ที่ไหนตั้งหรือสมันลืมเลยจะหายใจยาวๆมีประโยชน์มากการงสติไว้ชีวิตไปเองดวงหาไยัยเรียกว่าเจ้าิษ ก า, ายหาทายเยอะกระเจิอยู่ที่ลิ้นไฟฤิธีปฏิบัติฤิธีปฏิบัติอยู่ตรงนี้เลอดโตไม่มันทูกหน่อยละได้ห ร, รืออย่างนี้กั เ, เหายใจยาวๆคลิดหนอคิดหนอให้ใจหยุดลึยาวเข้าไว้เพราะทางปัญญาโตกหมู่ของเราถึงจะเดืนงหลาีปัญญาการยาวไม่เท่ากันอย่างนี้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 พาสูงกลางเลยพาสูงกลางไปถึงสายท้ายก็เริ่มก้อนว่ายืนจากท่สะรถที่สะเดยืนถึงจดีแหละสติตามทานไหมนี่ทานตอขอสติตามไทานยืนไหยืนสติตามสุดไปถึงถง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 ทางด้านตาอยานมีปัจจนายืนถึงจะเดือจบโหนตาก็ตีตามทานไม่ทานหนอจากจะเดิขึ้นมาถึงกะหม่อมพอดีนี่ได้จังหวะถ้าทำอะไรผิดจังหวะใช้ไม่ได้ไห่ด้พ้นบางคนั้หลับตายือนเนายือนนยือนเนะยือนนอะไรยืนปากพูดปากําหนดจิกไม่รู้ก็ติไม่มี อย่างนี้ใครม่ได้ไม่ได้พ้นเลยหมื่นก็เสร็จขอเจริญพรอย่างนั้นลักสองยื น, นถึงก็ดูแหละ๋อสติตามไม่ทันเท่าแล้วจิตมันไวมากเอาใหม่กำหนดใหม่เชได้ไหมได้เปลี่ยนแปลงได้ไม่เป็นไรแ้มรวมใหม่จลับสายเช้าคุณมาหลับตามโนภาค สาบสายชาติถึงจะเดินยืขึ้นมาเอาชิขึ้นมาทบทวนเรียกว่าปัติโลมโมโลมปัติโลเป็นยอดทบรวนถึงจะดินแล้วผ่าสูนกลางขึ้นมาเลยผ่าลิ้นตีกันนะยืนเนาะถ้าท่านมืสมาธิดีนะก็ะติดีนะมันจะกล้าดไปทั้งตัวทั้งกา ย, ยาวนี้ก็ทีไงกำมือสติครบทั้งกาย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 คิ้นห่านอารมณ์ต่างๆได้อยู่ที่คทดมันก็ลงไปอีกหนอะถึงปลายเท้าลืมตาดา้ดูปลายเท้าต่อไปรวมที่ปลายเท้าและกำหนขวายางหนอะเต็มก้อนขวาทีไรที่ก็ทืระลึกก่อนมีขวาซ้าย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 เดี so be, so so so ๋ยกันด้วเองเอาด้วยตัวเองนี่ไม่ได้ต้องเป็นูดเองต้องเกื้อใจเองในจิตใจทั้งกรอย่างนี้เป็นก้อนหนึ่งวิถีชั้นแล้วก็ใช้ยาหมอผู้ปฏิบัติต้องเพ่งหลงที่รลายท้าไม่ช่กาเดินไม่ใแง้มดูตาฟ้าแล้วหลับตาไม่ดูเลือดต้องเพ่งหลงที่ปลายค้าดูท้องลูกพระว่าโลภน้ำไม่เคลื่อนอย่างไร คนทำนานการแล้วก็ออไม่กองกาหนดอย่างนั้นก็ได้มันจะเดินไปถึงจังหวะของมันเองตื่นอ่ะอย่างนี้เป็นการแบบปิดขณะที่เดินเช็ด อ, อ, อกเช็ดยศอย่าเดินเอาทีละอย่างกาหนดที่ลุ้นตนีอีกแล้วหายใจยาวๆําลังยืนเดินจะกบอบพุกหนอมันจะเช็ดเอาเอาเหยื่อผลมามาตั้งบวกลบคูณหารแต่สามนับ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 นี่อย่าืหนอนนะอย่าลืมนะขอกาหนดให้ได้แล้วก็เดินจงกรอมเถิดง้างภาวนาไอว้วาพองหนอยุบหนอนีเนเน่เป็นการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สร้างสมาธิยักสิ่งวัดล้อมจมากศิษยานุปัชนาปิษฐาเป็นสิ่งที่มาของจิตเป็สิ่งที่มาของอายุนธะพาณิชย์เสิ่งที่มาของฐานห้าลูกนามเป็นอารมณ์ต้องรู้อย่างนี้เป็นอย่างแต่ละอย่างไปไม่ใช่กาหนดขนใหญ่เลย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 ยกแล้วมาชันหนอทองตุบยาวิธีปฏิบัติท่านยั ง, นยงไงซีคิก้าทองเพลเพื้อนเช็คลองดูทองแล้วก็หนอสะเพื่อนหนึ่งทองสะเพื่อนหนึ ง, อ ง, นนงลองดูสำหรับตัวลายทุกคนถ้าทองขึ้นไม่ได้หนอไม่ได้เอาใหม่เปลียนใหม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนยังไงทองหนอไปเลยยกและลงหนอยาวไปเลยเดี๋ยวท่านจะทําไดา้ไม่ขาดช่องไม่ยินาดแน่ไม่มายืดยอมเป็นธรรมดา ถ้านั่งไม่เห็นมือขาไม่ใหญ่นอนลงไปเลยนอนเหยียดยาวนอนหงายไปเลยเอามือประสานท้องหายใจใหญ่ใแล้วก็ว่าทํามือนี้ไปทองหนอนยบหนอนให้คล้องพอคล้องแล้วไปเดินจะกลมมานั่งหมายเดี๋ยวท่านจะชัดเจนมีวิธีแก่วิธีไขวิธีปฏิบัติให้ได้จังหวะอย่างนี้ประกอบมีมีความหมายเยอะเกินถ้าท่านโปรด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 ออยุ่งปวดหนักเอาหนักตายตายปวดหนอหนักจะแตกแล้วจะแตกแล้วพนไม่ไหวแน่ก้อนนี่จะล้อนดินไปแ น, น้ห น, นามแทงก้นแน่พ้นไม่ไหวแน่ตายให้ตายกําหนอดไปกําหนอดไปสมาธิดีสติดีให้เวทนาเกิดขึ้นจับตาดับไปก้าหมายวัดติกับใจนี่แยกเวทนาได้แยกรูปแยกนามได้ใช้ได้ แต่ไม่มาที่ยังแยกไม่ออกมันยังกอดจนอยู่มันยังปวดไม่รู้จักหายขอให้ท่านอุทธรณ์ฝึกฝนในอารมณ์นี้ได้แต่จะะนั้นาการเจ็บเลยไว้ป่วยไข้จนจะแยกยิ่งย้า ย, า ย, า ย, ยอเอาติดออกเสียจากป่วยฝึกไม่ป่วยไม่เป็นไรนะทั้งั่านฝึกไปป่วยเชด้วยเลยก็หมดทั้งตายทั้งใจหมดอะไรจะอยากอยู่จนจุดนี้อันนี้เป็นเรื่องสั้งทันมากความสงบอย่างนี้เนะนี่ยมีความหมายขอทา่านงวอ ง่วงนอเลอเกินง่วงเลอเกินถ้ากาหนดง่วงนอนง่วงนอนะปากหายไม่ได้ทาไงล่ะจะกำหนดได้กำหนดยังไงจะไม่ ง, ไง่วงกาหนดยังไงเอาเวโอนน้อมมาไป็นชาน้าจะเก้อง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนง่วงนอนํารวกกโมเศษเหมเฮ รับรองหายง่วงแต่ถึกนี่กังวางให้มันถูกเรื่องกันเถอะไม่ใช่ําหนดแค่ปากนะแต่ไข้ปัญหาไม่ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับก็สมาธิดีนะแต่ไม่ด้วยเหตุอันใดไม่ทราบมานอนไม่หลับหมายจะยาวๆนอนลงนไปหมายถึงว่าหน่วยจึกดีแล้วสะสมไว้เรียนมากแนละ้วหลับทันทีนะเอาวางจินไว้ที่ไหน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 น้านังไม่ทนก็นอนลงไปทั้งคันอย่านอนหลับนอนกำหนดท้องหนอยบหนอท้องหนอยบหนอถ้าท่านนี้ก็ติดดื้อสมาธิดือปัญญาเกิดท่านจะหลับโยบลงไฟทางท้องยกสจับให้ได้ถ้าจับหลับได้แล้วรับรองท่านจะทิ่งตัวกีจการจะตกินเวลาไหนได้ตามเหมาะสม กระเดินตีสุดถึงตีสุดจะรุ่งขึ้นมากระเดินกันทีแต่ปัญหามืออันเดียวตีนั่นกระลุกเล็บเปล่าจะลุกขึ้นมาเล็บเปล่ากระเดินะแต่ถ้าไม่ลุกใครจะนอนต่อนี่มันมีปัญหามันจัดแล้นการเคยจิงอย่างนี้นี่ก้องวางศกให้มันโผกนะขอเรียนพระอาจารย์และเรียนคณะอาจารย์วิญพาณด้่ยขอให้ถูกศกนี่ให้เหมือนกันนี่วางปมนี่รับรองได้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 เลยรู้ไม่จรงอย่างนี้นะรู้ไม่จรงบขณคนนั่งโง่ไปแล้วโงอกไปโงอกมาโงอกมางอ ก, กไปสมาธิดืดขาดก็ตืบนบคนบอกยานมาแล้วโง่ลงไปแล้วใจฉันเนี่ยโสดเลยอะไรอย่างนี้ใช้ไม่ได้นี่นไงสมาธิดืดขาดก็ติ่ใช้ไม่ได้ไม่มีสติเลยนะนั่นงงอกไปงอกมาขอกาหนดรู้เนอะรู้หนอะ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 บางคนเนี่ยจะได้มีวิชยาการสอบปรลมวิธีปฏิบัติสอบปรลมด้วยไม่เคยไปสอนไม่ทรงเดชและปฏิบัติไม่ถูกจทมันก็มาเดือดร้อนเหมือนเราไปกอดเครื่องคอมพิวเตอร์ผิดผิดมเอาไปขูดมันพึกไม่มีข้อมูลเพราะการเจริญวิปัสน า, า ก, การเดินจงกรมการนั่งภาวนานี่เป็นการสร้างข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด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 เราก็เริ่มสร้างความไม่ระมาดระว่างทางถึงจะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมันก็น้อยอย่างปเพราะไทยเราเคอยระมัดระวังไว้มือระโยน์มีการเจริญมีปรัชนาลึเกินบางคนไม่ส อ, อนถิดจุดจะหมดขอให้ผู้ปฏิบัติทำทำจุดนี้อทั้งหลายจะดูได้อุณลมมานะปากนี้ดูคอเห็นหนอไม่ก้าใคร้าถ้า โดยท like like so, so, so, so, ี ania, the ่ว่าเห็นคนน้นอย่างไรอย่างไรไปสร้างนั้นชไม่ได้ต้องประสบการณ์เห็นอะไรก็ว่าอย่างนั้นมันเกิดประจําเปเราต้องเห็นเราก็กําหนดทันทีไม่ใชเสือกออกไปเห็นเขาว่ากําหนดรวยกําหนดรวยกําหนดไรไม่ใช่นีต้องประสบการณ์เฉพาะปัจจุบันการทำเท่านั้นอายเด็กแม่เอาอนาคตแม่เอาเท่านั้นปัจจุบันเป็นการสร้างเสริมข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์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 เกิเองเนี่ยเป็นของที่จะต้องแจ้งถึงใจเราเอ ง, งและจิตใจเราก็ละได้พยศได้ละที่ผิมานะได้เพราะเราเห็นวิจัยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าปัญญาแฝมเล็ ก, กตักลงไปที่ภาวนาต้องอะไรทาเป็นคนง้ออย่าทำเป็นคนฉลาดขณะปฏิบัติอย่าประเมินผรอย่าวิจัยว่าอะไรเป็อะไรถ้านักวิชาการ ม, มากนักทำปฏิบัติไม่ได้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 ที่แล้วอยู่บ้านเนี่ยสบายมันมากม่อมันเป็ของปลอมเป็นของที่ยู่ยุเป็นของที่ให้สบายแต่ความสบายนี่เป็นของปลอมความทุกข์ความยากความลบากเป็นของจริงได้ทุกคนทุกได้มาจากทุกข์พยยันได้มาจากทีก่เกลียดมันมีความที่เกียดก่อนและเราขยันก็ได้มาจากทีก่เกลียดร่ำรวยสวยดีมันมีที่ตกได้มาจากความจนที่ไม่มีอะไรเลย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 ังจากพบอุดมพระเทอจะมีปัญญาสูงแน่นอนที่กุดจะมาที่แกงมาพอสึงแเพราะเป็นตือก็อาจจะมาสลอดมาไม่เคเด็จพักเดี๋ยวก็ขอโอกาสลงพระปฏิโมกในวันจารึกจักรสรของพระพิสุทโธงในโรงบวชนี้ขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมจงฮอกงามไพ่โบนในจิจักรัน ภาคปฏิบัติทางของวิทศัตรนะขอทุกท่านรีดเดินทางผ่านภูลังดางนเกาะกลางอุศัรร์ทั้งหลายถึงฝั่งฟ้าถือความเจริคือนิรพานโดยทั่วนาคันนาโอกาสบัดนี้เทิน